เช้านี้เราสวดมงคลสูตรเมื่อวันเย็นเราก็สวดมงคลสูตรก็ถือว่าเป็นผลจากการที่เรามีความรู้สึกตัวคือการจริตติปฐานก็จะมีคุณธรรมต่างๆเพราะว่าสติมันเป็นพ่อ เป็นแม่ของกุศลธรรมทั้งปวงความรู้สึกตัวหรือว่าการจรดสติสิ่งเดียวกันการเคลื่อนการไหวของกายของ ใ, งใจมีสติ ร, รู้รู้อันนี้สิ่งเดียวกันการที่ธรรมชาติภายนอกเคลื่อนไหวแปลการเกิดดับเป็นทั้งเหตุปัจจัยตามกฎของธรรมชาติหรือว่า เป็นเรื่องของสมมติบัญญัติที่เกิดจากความคิดของมวลมนุษย์ต่างๆความคิดก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาตินั่นแหละแต่ว่าเวลาคิดแล้วเป็นกุศลธรรมหรือว่าอกุศลธรรมความรู้สึกตัวที่เราฝึกเดินจงกรมนั่งสร้างจังหวะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือที่ทําให้เราเห็นรายละเอียดของการเดินทางของชีวิต เราเกี่ยวข้องกับตัวเองทางกายวาจาใจหรือว่าเราเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นวัตถุอื่นสิ่งอื่นด้วยกายด้วยวาจาด้วยจิตใจอันนี้จะเป็นล้วนะของพฤติกรรมเป็นกรรมดีกรรมเชื่อมนกรรมเป็นวจีกรรมกายกรรมซึ่งจะส่งผลให้เราเกิดการทำประโยชน์ตนประโยชน์ทานหรือว่าเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนผู้อื่น ถ้าเรามีความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวจะจัดระเบียบในภากระบบของความคิดเคยคิดแล้วพูดแล้วทำตามจริตนิสัยต่างๆถูกเปลี่ยนจริตนิสัยจะเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยที่ทำให้เราได้เกี่ยวข้องแบบเป็นธรรมชาติต่อไปกายของเราบางทีมันเคลื่อนไหว กรพิตาหายใจหนะรือว่าเคลื่อนไหวมือเคลื่อนไหวเท้ารนะ่างนะการเคลื่อนไหวต่างๆจะเป็นพฤติกรรมนะที่นำไปนะถ้าเป็นระดับของมีวินัยมีระเบียบมีสตนะิก็จะมีปัญญาก็จะนำไปนะเกิดการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เกิดการหรือว่าช่วยเหลือแบ่งปัน ทำประโยชน์ตนประโยชน์ท่านมากมายอันนี้จะเป็นลักษณะของธรรมจัดสรรที่ฝึกจนเป็นนิสัยนิสัยที่จะรู้ถูกที่จะทําถูกที่จะพูดถูกก็จะเป็นนิสัยที่พาไปสู่ความไม่เสื่อมนิสัยที่มันไหลลงต่ำํำอันนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นพวภูมิที่เราก็จะไม่ไปก็หรอก ปฏิบัติธรมนิจะเห็นภพภูมิเป็นเปรตเป็นสันนิกเป็นอาสุรกายอย่างไรเป็นเทวดาอย่างไรเป็นพรหมอย่างไรเป็นคนเป็นมนุษย์เป็นอาของผู้ที่อยู่พ้นจากความทุกข์นั้นเป็นอย่างไรทุกข์ที่เกิดจากบางทีมันมีแล้วนะของข้อมูลในสมองตามลักษณะของสัญญาจําได้หมายรู้ สัญญาคือมันจำได้หมายรู้นะแล้วก็ติดจนเป็นนิสัยต่างๆ่รู้ถูกรู้ไม่ถูกสมัมมาทิตฐิมิจฉาทิฏฐิบางทีเราก็รู้ข้อมูลทางด้านวิชาการทางโลกซึ่งมีมากมายเหลือเกินแปรของสังคมสิ่งแวดล้อมตั้งแต่คนใกล้ตัวเราพ่อแม่หรือว่าบุคคลรอบข้างมิตรสหาย ทีนี้เราเห็นแล้วว่าเออเราคือคนที่เราจะต้องไปตามต้นแบบแบบนั้นแบบนี้แบบนู้นครูก็ว่าอย่างนั้นไะเรียนที่นี่ก็บอกว่าเก่งก็ก็ชี้ให้ว่าอรู้อย่างนี้นะจะเป็นยอดคนทุกคนก็อยากเป็นหนึ่งเป็นลักษณะของเป็นที่ยอมรับของสังคม ก็คือท้ายสุดก็เจอเป็นฐานที่นำมาซึ่งการกินเกียรติเป็นหน้าของวัตถุต่างๆที่เราไปชี้เอาได้โดยอำนาจมีคนให้เกียรติมีอานาจและท้ายสุก็คือตอบสนองการวัตถุกรรมพนุณต่างๆหรือว่าณะาของราคะปิิคะที่มันนำให้เราได้ไหมายถึงว่ามีความสมบูรณ์มีความสำเร็จ อันนี้ก็จะเรียกว่าเห็นแก่ตัวท้ายสุดบางคนก็คือไม่สามารถที่จะนำสตินำสาาัญญาหรือรู้แล้วก็นำมาใช้ได้อันนี้จะเกิดโรคจิโตโรคประสาทต่างๆมากมายเมื่อวานกลับมาจากที่โรงพยาบาลกรยาลาชนกร ล, ล, นกลินก็จะไปพบเด็กอยู่คนหนึ่งซึ่งจิตแพทย์กขาก็รักษาอยู่ ก็ไม่ใช่เด็กก็ล่ะอายุ25จะเข้าใบ ว, วัยเบญจแพทย์อยู่อีกไม่นานนะทีนี้มีความเก่งสูงก็คือเรียนเตรียมอุดมแล้วก็เป็นอันดับต้นๆแกลสามารถยื่นได้ทุกวิชาแล้วก็ทุกสถาบันในประเทศไทยจน ถ, ถูกคัดเลือกให้ไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นเด็กโควต้าของประเทศญี่ปุ่นไปเรียนก็ไม่สามารถที่จะอยู่ได้เนื่องจากมันเครียดยิ่งเรียนก็ยิ่งเครียดไทยศึกก็เลยเป็นโรคประสาทแล้วไม่สามารถที่จะอยู่ต่อไปในประเทศญี่ปุ่นก็กลับมาเมืองไทยแล้วก็ไม่สามารถเรียนต่อในเมืองไทยแล้วยื่นที่ไหนก็สอบติดหมดคะแนนสอบมาหลายปีก็ยังยื่นติดอยู่แต่มันไม่สามารถที่จะเรียนต่อไปได้ อันนี้เราก็เห็นเลยว่ามันเกิดมาจากระบบของสตินะการรู้รู้มันถูกหยิบมาเอาปัญญามาใช้ไม่ถูกนะฮะเพราะสมองเนี่ยบางทีก็ต้องมีสตินะมีตาก็ต้องใช้สติมีวาจานะใช้ปากใชนะ้ไม้ใช้มือนะมีทวารต่างๆก็ต้องมีสตินะเป็นผู้กํากับนะสติจะเป็นในทวารบานที่รู้จักนะเลือกเฟ้นนะเอาสมาธิเอาปัญญานะ นำมาใชใ้ได้อย่างถูกต้องสติถ้าเป็นสัมมาสติก็จะเป็นสัมมาสมาธิสัมม า, มมาปัญญาทันทีถ้าฝึกจนทั้งยิ่งใหญ่มากหมายถึงมามีเต็มพื้นที่ของจิตของใจเี้ยไม่ได้เห็นรากเงาของอกศุศลธรรมทั้งหมดน่ะความโลภความโกรธความหลงพวกนี้นใกล้สุดจะทําตามอารมณ์นมันจะไม่ได้ทําตามความรู้สึกตัว เพราะนั้นมันก็จะมีจริตนิสัยมีภพมีภูมิเป็นตัวรองรับโทสะจริตอย่างเงี้ยนะมันก็เป็นภพภูมิของพวกสัตว์นรกพวกโมโหโทโสหงุดหงิดพอเราฝึกความรู้สึกตัวเราเห็นแล้วออกมาตะดิดมันว่ามันไหวมันเป็นความรู้สึกภายในใจของเราเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจที่เวลามันคิดมันนึก่เีมันเป็นภพเป็นภูมิแล้วมันก็ถี่ยิบเลย เรื่องนี้จบเรื่องใหม่มาเรื่องใหม่ไปเรื่องเก่าจบเดี๋ยวก็มาอีกทะลักพังโพลอยิ่งเรามาเคลื่อนไหวรู้สึกมันกวนเลยเป็นกา ร, วรกวนกระแสของจิตวิญญาณนะระบบความคิดให้มันแสดงตัวขึ้นมาอันนี้เป็นลักษณะของปฏิกยาหรือว่าขนไกนะ่ของจิตใจเราที่มันมีตามกฎของกรรมของธรรมชาติต่างๆ มันจะคิดขึ้นมาคิดดีก็เกิดขึ้นมาคิดไม่ดีก็เกิดขึ้นมาความโลภความโกรธความหลงก็เกิดแสดงออกมาให้เราได้รู้จักเราก็เห็นแล้วก็น่าสงสารตัวเองนะมันเคยทําอะไรมากมายเหลือเกินอย่างนี้พอาสร้างความรู้สึกตัวอย่างนี้ยจิตมันเกิดความเป็นปกติขึ้นมันก็ระมัดระวังการใช้นะเหมือนกับอย่างที่เคยใช้มามันก็ไม่เอาแล้วนะมันมีการเคล็ดลาบมีจิตสํานึก ที่มันจะไม่ทําอย่างนั้นอีกต่อไปอย่างเงี้ยมันก็ชนะตัวเองอย่างเงี้ยเคยแล้วนะโทสะจริตเนี่ยมันก็เปลี่ยนเป็นเมตตาก็นาขึ้นมาเคยนะอิชาริษยามันก็กลายเป็นอนุมโมทนาขึ้นมาเคยไม่อดทนก็อดทนขึ้นขึ้นมาเคยไม่เฉยมันก็เฉยขึ้นมาเคยไม่ขยันไม่ตื่นข้างในมันก็ขยันแล้วก็ตื่นข้างในขึ้นมามันก็เป็นเรื่องของเหตุปัจจัยต่างๆ ที่มันมีอยู่ลักษณะของตามกฎของธรรมชาติแล้วก็รู้เท่ารู้ทันถูกนำมาใช้เด็กคนที่ว่านี่ก็คือไปทานยา ห, นาหมอก็จ่ายยาให้มีผลไปยาข้างเคียงมากมายซึมแล้วก็ง่วงเหงาหานอนร่างกายก็บวมฉุกขึ้นมามเนื่องจากไม่ได้ออกกำลังกายพอได้ไปพูดเรื่องของความรู้สึกตัวให้ฟัง ระนาดของเด็กที่ฉลาดเรียนเก่งมีปัญญาพอพอได้ฟังก็ตื่นตาตื่นใจอย่างนี้แล้วก็ว่าจะมาวัดป่าสุกโตพร้อมกับแม่ด้วยแม่ก็เก่งเป็นพยาบาลพ่อก็เก่งเป็นนายแพทย์ลูกสาวก็เก่งเรียนเก่งแต ว, ว่พอไม่รู้จักเรื่องการฝึกสติแม่ไม่รู้จักการฝึกสติก็ไม่สามารถบอกลูกได้ชี้นําลูกได้นี้มันก็สับสนพอสมควร เพราะนั้นความรู้สึกตัวจึงเป็นทางออกนะแต่ว่าผู้ชี้คนระูบาอาจารย์หรือกัลามิตรของเราก็ต้องเป็นผู้ที่เดินทางไปแล้วนะเดินทางล่วงหน้าไปก่อนแล้วนะเห็นรายละเอียดนะเห็นเส้นทางชัดเจนเห็นขอบขอบทางชัดเจนนะมันก็เราขับรถไปขับรถซ้ำๆอย่างนั้นะจนทังมันเห็นในรายละเอียด2ข้างทางนะรู้จักนะกฎกติกาหรือว่ารู้จัก ระเบียบวินัยกฎหมายจราจรต่างๆในความรู้สึกตัวเราก็จะได้เห็นว่าเกิดจากการเคลื่อนการไหวของกายในรูปแบบรูปแบบจะเป็นกรอบทำให้จิตเกิดการตั้งมั่นขึ้นมาแล้วเกิดแล้วนะเห็นรายละเอียดต่างๆเมื่อทําถูกจิตเกิดวิปัสสนานล็กๆขึ้นมาเช่นดรณีของวิปัสสนายาเราจะเห็นว่าอารมณ์มันจะตื่นเกิดปีติขึ้นมาเกิดความเบากายเบาใจขึ้นมา มีความสุขรื่นเริงอาการปฏิบัติขึ้นมาก็ทำให้เราเล่านะว่าเห็นคุณเห็นค่ามีความขยันเบื้องต้นแต่ว่าปรเกิดการปล่อยวางอารมณ์อีกชั้นหนึงก็คือสุขก็ไม่เอาสงบก็ไม่เอาแล้วของอะไรเกิดขึ้นมามีแต่เห็นเป็นอาการเกิดดับอันนั้นคือสภาวะผู้โดนที่มันเก่งขึ้นมาหรือว่าแก่กล้าขึ้นมาของตาในตาสติตาปัญญามันสมบูรณ์แบบขึ้นมา เราได้เห็นรายละเอียดที่มันเล็กลงไปที่มันลึกซึ้งลงไปเช่นล้นะ่ะของความสุขที่มันเกิดขึ้นมาขณะปฏิบัติมันทำให้เราติดได้เหมือนกันความสงบที่เกิดจากการปฏิบัติเนี่ยทำให้เราแล้วนะเกิดการปลีกวิเวกแล้วท้ายสุดก็คืออยู่กับตัวเองแล้วก็ติดได้เหมือนกันเป็นความสงบมันจะเป็นและนะ้วน่ะของอรายละเอียดที่จากหยาบสุดแล้วนะ่ะของอารมณ์ที่มันเกิด ความพอใจไม่พอใจ ค, คิดละโกรธคิดและโลภคิดละหลงเนี่ยมันหยาบจะต้องเห็นอาการละเอียดก็คื อ, อนิวรธรรมลักษณะของความง่วงความสงบพวกนี้ถีนทมิทะหรือว่าการพยาบาทที่มันมีอยู่นอนเนื่องอยู่ในกมลหรือว่าสันดานนิสัยอวสัยพวกนี้มันจะแสดงขึ้นมาเป็นรายละเอียดท้ายสุดพอรู้แล้วรู้อีกรู้ซ้ำมันจะมีอาการลักษณะของตื่น ที่จะเรียนรู้เดินทางด้วยความขยันขันแข็งก็จะเกิดวิริยะมีความเพียรอย่างมากขึ้นไปอันนี้ก็ทําให้ติดได้เหมือนกันเราก็เลยได้เห็นในรายละเอียดต่างๆติดรู้อย่างนั้นะเราก็วางรู้อีกชั้นนึ่งติดรูปแบบแล้วก็วางรูปแบบอีกชั้นนึ่งอันนี้เราก็ทํางานทําการทํากิจวัตรประจําวันต่างๆได้อย่างคล่องตัว ก็จะเป็นลน้วนะของประสบการณ์หรือว่าพัฒนาการของการฝึกการหัดตายสุก็คือเราก็จะโลกใ่ช้ำทำไม่เสียหรือว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ย่อมถึงซึ่งความสวัสดีในทุกสถานอันนี้เราเป็นมงคลอันสูงสุดที่หมู่เรานะที่เป็นมรดชาติในนักของ การเกิดมาแล้วได้สัมผัสได้ยินได้ฟังนะลัษณะของผู้ใหญ่ใจดีต่างๆนะที่ปรารถนาดีแล้วก็นะเห็นร่องรอยนะของหลักศาสนาที่ประพฤติปฏิบัติมาจะทังได้รู้แจ้งเห็นจริงนะแล้วก็นำตัวเองนำผู้อื่นนะเป็นลักณะของความเมตตาวามม่านาเมตตาเบีรข า, มมาหรือว่านะลณะของความปรารถนาดีนะ ต่อโลกทั้งใบก็ตามมนุษย์ประมาณเจ0 0ันกว่าล้านคนนะในโลกใบนี้เราก็เห็นชัดว่าคนที่จะเข้าถึงตัวประพฤติปฏิบัติโดยอฉาการฝึกสตนะิก็มีน้อยแต่ว่าในยุคนี้ก็ยังดีว่าเป็นปีที่นะรัฐบาลหรือว่าประชาชนคนทั่วไปนะได้พูดถึงการปฏิบัติรรม แล้วก็หลากหลายรูปแบบมากพุทธมนตนนี่ก็เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาโลกนะเราก็จะได้เห็นว่าก็จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายเนื้อที่ 2,500 รไล่ก็จะมีคนจอนไปจอนมาทำกิจกรรมกันบางคนก็ไปทำเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีแต่งชุดไทยแล้วก็ฟอ้อนเขียนคิว้วเขียน ตาตาปากตาแก้มต่างๆเพื่อเอาไปเป็นลักษณะของผลงานทางการศึกษาครนะูบาอาจารย์สั่งนะให้มาแสดงออกนะเด็กๆรุ่นใหม่ก็แสดงออกกันเราก็ได้เห็นออกเป็นลักษณะของว่าทำเพณนนีนะ้บางส่วนก็มาทําบุญทําทานกันนะเอาสังฆทานมาถวายกับพระสงฆนะ์ก็คือลักษณะของ การจันลงการสืบทอดละนะัณะของทำให้นะชาวพุทธนะหรือว่าุทธศาสนานะนะมีกำลังมีพลังนะะแสดงออกในยการสนับส น, นุนะส่วนเราไปกันเมื่อสองวันก่อนนะเราไปแล้วก็พยายามเดินจงกรมรู้สึกตัวนะแล้วก็ไปนั่งตรงหลังพระไตรปิฎกหินอ่อนนะซึ่งอยู่ทางหลังของพธ ร, รูปปางลีลา เาก็ให้นั่งสร้างจาังหวะทำความรู้สึกตัวกันบางคนก็ก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกนะเรื่องการเคลื่อนไหวรู้สึกตัวก็ก็นั่งนิ่งๆดูลมหายใจแต่เราก็ไม่ว่าเขานะเมื่อเราเห็นว่าเขาเป็นคนใหม่เขาไม่รู้จริงๆนะเพิ่งมาถึงเราก็ชวนเข้ามาเดินจงกรมระยะทางยาวๆนะให้เคลื่อนไหวรู้สึกตัวไปเวลาเกิดความคิดขึ้นมาก็กลับมาหาความรู้สึกที่เราปฏิบัติอยู่นะ การเคลื่อนการไหวก็ต้อสัมผัสที่กายนะเมื่อเขาไม่รู้เราก็พยายามที่จะค่อยๆบอกเข้าไปนะก็จะแตกต่างจากชุมชนของวัดป่าสุโกโตที่เราพยายามที่จะนะชี้กันเรื่องแนวเคลื่อนไหวที่หลวงพ่อคําเขียนท่านก็นพูดถึงผู้ดูนะหลวงพ่อเทียนท่านก็พูดถึงว่าเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจนึกคิดเราก็นำตรงนี้มาเป็นประเด็นมานะเป็นลักษณะของสุดสําเร็จนะ ที่เป็นลั ล, ะละสั้นๆตรงๆลงไปการเคลื่อนการไหวแล้วเกิดการวางกายวางใจเราสังเกตเห็นมันปรากฏจริงๆนะแต่ว่าใหม่ๆเราจะไม่เห็นม้นหรอกใหม่ๆเราจะทำแบบเพ่งแบบจ้องแบบจี้แล้วก็ยึดลงไปในความรู้สึกขณะเคลื่อนตรงนี้จะมีปฏิกยาทันทีก็คือบางทีก็แน่นหน้าอกหรือว่าปวดหัวหรือว่ามันเก๊กมันเกร็ง พอยกมือแล้วจะรู้สึกว่ามันถูกบังคับแล้วก็เหนื่อยใจเป็นผลของการปฏิบัติอันนี้ก็เป็นลักษณะของคนใหม่เท่านั้นนะ่ะนะหรือว่าคนเก่าที่ยังทําไม่ถูกนะมันจะเกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นมานั่งหาง่วงนอนแล้วก็รู้สึกว่ากรรมฐานนั้นไม่สนุกนะแต่ถ้าทําเป็นจะเห็นว่ามันผ่อนคลายแล้วก็สบายเลยะยิ่งทํายิ่งสนุกยินงเห็นทุกนก็จะยิ่งเห็นะสภาวะของเหตุที่ทําให้เกิดขึ้นมา ก็คือวางกายไม่พอดีวางใจไม่พอดีบางทีก็อาจจะเผลอหลงไปความคิดที่มันเคยเกิดขึ้นมาตามจริตนิสัยเก่าๆหรือว่าพฤติกรรมที่เราเคยทําดีอะไรมามันก็จะเกิดแบบนั้นน่ขึ้นมาก็คือถนัดิงสิ่งไหนก็ตามก็จะไปหาสิ่งนั้นแล้วทำมันจะเกิดขึ้นมาเป็นการ ล, ล้อชีวิตของเราล้อชีวิตให้เราอยู่ตรงนั้นะ มันเป็นการเหมือนกับว่าดักหน้าดักหลังแม่เราได้เข้าถึงการเคลื่อนการไหวอันนี้ก็มีเหมือนกั น, นได้เห็นขณะปฏิบัติเนีอ๋อมันมีตัวล้อชีวิตของเราค่อยคอกเรียค่อยดึงค่อยกั้นค่อยขวางให้เราได้หยุดการเดินทางแค่นั้ น, น, ะนะเราก็เลยได้เห็นในรายละเอียดต่างๆขณะปฏิบัติรทำจนกระทั่งมันเห็นความคิดคิดดีคิดไม่ดีคิดเป็นบุญคิดเป็นบาป คิดแล้วเกิดความฉลาดไม่ฉลาดคิดแล้วก็เป็นกุศลเป็นอกุศลนตัวดูมันก็ยิ่งใหญ่เกิดลักษณะของการเดินทางลัดลัดขึ้นมาเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจเวลามันคิดมันฟุ้งซ่านต่างๆมันนึกมันปรุงมันแต่งตายจะมีผลทั้งหมดเลยคิดแล้วโลภแล้วคิดแล้วโกรธคิดแล้วก็หลงคิดแล้ก็รักคิดแล้ก็จังคิดแล้วเกิดการ สแสดงออกต่างๆทา ง, า ง, างวาจาทางรนะ่างกายของเราเรียกวครบองค์ทีเดียวเป็นพบเป็นภูมนะิพบชาติชรามรณะโสกัปริเทวทุกอุปายาสะนะเกิดเป็นกระบวนการของปฏิจจสมบัตนะิที่ตั้งแต่หลงหนะลงอวิชาอวิชาทําให้เกิดสังขารสังขารทำให้เกิดวิญญาณวิญญาณทําให้เกิดนามรูปนะนามรูปทำให้เกิดสลายยตนะสลายยตนะทำให้เกิดนะปัจจ เวทนาตันหาประธานพบชาติฉลามรณะโสกะปริเทวทุดอุปายาสะครบวงจรทันทีแต่เวลาจะไม่ได้เห็นเป็นภาษาภาษาบาลีภาษาไทยจะไม่ได้เห็นเป็นภาษาไม่ได้เห็นเป็นความคิดแต่จะเห็นเป็นอาการเกิดดับเป็นอาการของสภาวธรรมต่างๆเที่นปรากฏเป็นความว่าไหวเป็นการเดินทางของจิตที่จิตใจของเรา มันจะมีพฤติกรรมต่างๆเป็นกรรมดีเป็นกรรมชั่วได้แสดงออกมาให้เราได้ดูตรงนี้แหละมันจะสนุกกับการปฏิบัติธรรมมันเป็นการสนุกรู้เป็นการตื่นรู้เป็นการตื่นทุกข์เห็นทุกข์เห็นเหตุแห่งทุกข์แล้วก้าวล่วงได้นั่นจึงมีความชัดเจนในการปฏิบัติเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นเวนาเห็นสุขเห็นทุกข์ที่เกิดกับกายของเรา เราเกี่ยวข้องถูกต้องต่อไปเห็นสุขเห็นทุกข์เกิดในจิตใ น, ในใจของเราในคาบในร่องรอยของความคิดในรูปลอยของความคิดมันก็มีร่องของความเป็นปกติมีร่องความเป็นกลางมีร่องความเป็นธรรมชาติที่ใจเราเพึงได้แน่นอนนันแหะก็คือความรู้สึกภายในของเราเห็นแล้วนะของธรรมชาติต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาตรงนี้แหละเป็นการเดินทางของนัฏิบัติธรรมหรือว่า มโนใจชาติทั้งโลกก็ว่าได้เพราะฉะนั้นในท้ายสุดนี้นะในการพูดนะก็เป็นการพูดเป็นภาษานะที่กพยายามมองมาจากร่องลอยข้างในนะที่เป็นการเดินทางนะก็ขอให้ลหักษณะของทางเดินนี้เป็นทางเดินเดียวกันนะกับรองลอยที่พู้องค์ได้เคยเดินหรือว่าหลวงปู่เทียนหรือว่าพ่อมเขียนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ต่างๆที่มีอยู่เราในฐานะที่เป็นศิษยานุศิษย์เราก็ เอานิสัยแล้วก็เอาร่องรอยของท่านมาเดินตามนะจนทั้งก็ให้ทุกคนทุกท่านได้รู้แจ้งนะเห็นจริงตามสมควรแก่การปฏิบัตินะจนทั้งถึงความผาสุกมีแต่ความสุขเกษมสารอยู่เหนือทุกโดยตัวหน้ากันทุกท่านทุกคนนั้นเติน